เดี๋ยวนะขอเวลาเนินรินดูออกขึ้นยังว่าเราสร้างขึ้นมาเราสร้างภพขึ้นมานี่ตรงพ่อบอกหมูกระดาษเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเองจากความไม่มีอะไรพอเราไปสร้างความเป็นตัวตนขึ้นมาเราก็แบ่งแยกนี่เราันนี่เขานี่โลกข้างนอกทั้งๆ ท, ที่ดั้งเดิมนั้นมันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยแต่เราไปสร้างขอบสร้างเขดสร้างความเป็นตัวของเราขึ้นมาจากความไม่มีอะไร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 นั่นอย่าไปเที่ยวกาหนดเนีย่ยเที่ยวอะไรอันนั้นแทรกแสงทั้งสิ้นเลยสติไม่ได้เกิดจากกาหนดสติเป็นความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากำหนดความระลึกได้อะไรเป็นเหตุให้สติเกิดทีระสัญญาคือการที่จิตจาสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุ ใ, ให้เกิดสติเนี่ยในคำภีของเรามีนะแต่เราเชื่ออาจารย์มากกว่าเชื่อตำรับตารา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 ยาสัปปะพังคตังก์มังกุสเลนะปะฮิยติโสมังโลกังปะพาเซติอาภามุตโตวัจณิมาอภิวาทนาสีเิสเนจังบุตาปัจัยโนจัตตารูธรรมาวัฑันตีอายุวนโนสุขขังพะลังมีกำหนดศึกไหมอ่าดีบวชสมควรบวชก็บวชไปนะบวชแล้วภาวนาก็ใช้คำสอนของเราพ่อไปปฏิบัติครับ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 ้เวลาที่เราบวชแล้วเราไม่ดูคนอื่นเราดูใจของเราอย่างเดียวล้วก็อยู่มีความสุขอย่างเราภาวนาครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังท่านไปบวชท่านไยันภาวนาเดินจงกรมนะเพื่อนก็หัวลอยเยอะนะลอยเยอะเย้ ย, ยถากถางอะไรนะท่านก็เอาดีของท่านจนได้ถ้าเราไม่ดูคนอื่นถ้าดูคนอื่นแล้วเราจะผิดหวังพระไม่ดีจริงอย่างที่คิดหรอกสังคมของพระก็คือสังคมโลกโลกนลั่นแหละ หลวงพ่อนะดูกับพระมากจนวัดนี้แทบจะพระน้อยลงไปแล้วดุดูมากบวดทั้งทีต้องเอาดีนะดีสู้ตายให้กําลังใจสู้ด้วยสติด้วยปัญญาเอาใครจะคุยต่อแล้วที่ที่ผมปฏิบัติมาอยู่นี่ถูกทางอไหงครับใช้ได้นะแต่ว่าตอนเนี้ประคองแรงกันนิดนึงของให้มันสบายกว่านี้เองรู้เล่นๆรู้สบายๆมันง่ายคุณท่องไว้เลยนะ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 ไปไหว้สังเวชนะไป ร, ะรับพ ล, ลื้มน ะ, ะกูได้บุญเยอะอ้ใครจะต่อเชิญอ่ะคุณน้องกลับลมสรสศการหลวงพ่อเจ้าค่ะเห็นว่ารูปเป็นก้อนธาตุกลมกลวงแล้วก็มีนามเป็นท่าตรู้ที่ว่างแล้วก็มีก้อนอะไรก้อนหนึ่งอะ่ะ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 แล้วก็จะแสดงกฎบาต<ม>ขึ้นมาจากนั้นมันก็จะเกิดเกิดพฤติกรรมต่างๆขึ้นมาทำให้ชีวิตเนี่ยเวียนว่าย <N> ตายเกิด<ม><ม>ในวัฏสงสาร<ม>ต่อไปตอนนี้ขณะที่นั่งเห็นเนี่ยมันบอกว่าตราดใดที่วิชานั่ง<ม>แทน่นวิชาไม่สามารถทำงานได้ ม, มันจะแยกออกไปต่างหากเลย<ม>แล้วก็มันจะสั่งสั่งสั่งจนกระทั่ง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 ถ้าดูจิตตอนไหนดูจิตไม่ได้อย่าไปฝืนดูดูจิตไม่ได้ให้ดูกายไว้เห<ม>็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นมันเลี่ยวซ้ายแลกว่าตอนไหนดูกายก็ไม่ได้ก็ทำสมถนะทำสมถะทาอะไรไม่เป็นนะก็สวดมนต์ไว้ก็ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆนะก็เป็นการทำสมถะอย่างหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆคิดถึงธรรมะคิดถึงครูบาอาจารยนะ์หรือคิดถึงคุณงามความดีที่เราทาแล้วอะไรพวกนี้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 แต่เดิมก็ยึดเยอะแต่ไม่เห็นรงหังตอนนี้เห็นล้แล้วเวลาบางครั้งที่มันพยายามมันแทรกแซงเองว่ามีคำพูดว่าจิตไม่ใช่เราอะไรเงี้ยค่ะก็ดูมันแทรกแซงไปเฉยๆถ้าดูมันเราอย่าไปแทรกแซงมันให้มันทำงานไปเราไม่ทำเราแค่รู้แล้วอยากได้การบ้านบ้างค่ะนี่แค่นี้ก็เยอะแล้วนะดูไปนี้ก็ทาไม่ทันละเอาแมวยกมือได้รู้สึกแม่ชียไม่ได้ส่งการบ้านใช่ไม ออลว<ๆ>ตอนนี้ก็ใจมันก็รู้สึกเบิกบานดีค่ะแล้วก็มีความสงสัยเล็กน้อยค่ะว่าเวลาหัวเราะเนี่ยค่ะเราสามารถหัวเราะ อ, อย่างรู้สึกตัวได้หรือเปล่าได้ได้ <laughs> แต่ว่าสามารถจะหัวเราะ อ, อยากรู้สึกตัวก็ได้หรือว่าบางครั้งอาจจะไม่ไม่รู้สึกตัวก็ได้ใช่ไหมคะ <laughs> ใช่หลงก็ได้นะ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 ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอ้ย่านเทียมเลยแต่ที่รู้ก็คือทุกสิ่งก็ดับไปเพราะว่ามันไม่ทันเห็นอะไรเกิดขึ้นไม่ทันตั้งค่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันคืออะไรมันจะไปรู้ทางตารู้ทางหูเราก็ไม่สนใจค่ะแค่รู้ก็พอคือใจมันเป็นลักษณะนี้จริงๆและจริงๆโลกก็จืดๆก็ใช้ขันติค่ะตอนนี้ค่ะดีกราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ตันท่าน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 โน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นภูเขาในปา่านี้ถ้ำไปภาวนาไปช่วยตัวเองไม่มานั่งแช่จุ่มปุ๊กอยู่กันทั้งวันทั้งคืนเสียเวลาในมะรดกานีคะหลวงพอ่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาค่ะแล้วก็ฟังหลวงพอ่อแล้วก็อธิบ า, ายว่าไอ้ความไปยึดเนี่ยนะฮะเห็นตัวความยึดเนีชัดเจนแล้วเสร็จแล้วก็กลับไปพอกลับไปเสร็จแล้วปรากฏว่า ตอนนี้ไปดูตัวผู้รู้ผู้รู้เนี่ยดูแบบทั้งวันทั้งคืนเลยหลวงพ่อเหนื่อยมากนะะก็รู้รู้รู้รจนกระทั่งกระพริบตาก็รู้แต่แล้วพอเหนื่อยมากๆก็เลยมันเข้าสมาธิเข้าแว บ, บหนึ่งออกมาเนี่ยก็มีรู้สึกว่าเออไตรักไงอนีนจังทุกขังอันัตาเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเออตัวเองเบาขึ้นนั่นแหละต้องอย่างนี้น